ตอนที่123หลีว่วานหายตัวไปฉันว่าพอแค่นี้เธออย่าทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวออกไปกลางค่ํากลางคืนแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจะทํายังไงผลที่ตามมาไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะรับผิดชอบไหวหรอกนะครูคุ้มหอกระซิบประซาบ ก, กับหัวหน้าฝ่ายได้สักสองสามคำก็พอแล้วเด็กใหม่สมัยนี้อารมณ์ร้ายกันทั้งนั้นหัวหน้าฝ่ายแค่นเสียงเหอะคุณไม่ต้องยุ่งฉันไม่เชื่อหรอกว่าอยเด็กน่านจะเล่นแง่อะไรใหม่ๆออกมาได้ เฮ้แต่คนนั้นเขาก็ทำเกินไปจริงๆนั่นแหละครูคุมหอบอกเรื่องวุ่นวายที่ก่อไว้พวกเรายังต้องมาช่วยจัดการให้อีกชูหัวหน้าฝ่ายสงสัยตาเตือนไม่ให้เธอพูดจาส่งเดทระวังกำแพงมีหูใครมาได้ยินเข้าจะซวยเอาค่ะเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปสนใจแล้วในเมื่อหลีวั น, นอยากอยู่ข้างนอกนะักก็ปล่อยให้อยู่ไปหัวหน้าฝ่ายกดเสียงต่ำตอนนี้ใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศตอนกลางคืนหนาวจะตายปล่อยให้หนาวจนเป็นอะไรไปนั่นแหละ ถ้าวันหลังมีคนมาซักไซ้พวกเราก็แค่โยกความรับผิดชอบไปให้ผลตัวก็สิ้นเรื่องใครจะสนละ่ะฮิฮิฉันว่าหัวหน้าฝ่ายฉลาดที่สุดเลยแะงนั้นก็เอาตามที่คุณว่าเลยทั้งสองคนเพิ่งเดินออกมาจากอาคารหอหญิงก็ชนเข้ากับอธิการบดีที่กำลังรีบร้อนเดินมาพอดีพวกเธอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบพักทายท่านอธิการบดีท่านกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ทำไมยังไม่กลับไปอีกคําพูดยังไม่ทันจบอธิการบดีก็ตวาดขัดจังหวะทันทีลิวานละ่ะ เธอครูคุมหอลังเลเล็กน้อยหัวหน้าฝ่ายจึงรีบพูดต่อนักเรียนคนนี้ไม่รู้จักความจริงๆข้ากลางค่ากลางคืนยังก่อเรื่องวุ่นวายจนเพื่อนคนอื่ น, นอนไม่หลับนี่ก็เพิ่งวิ่งหนีออกไปเองคะวิ่งไปไหนอธิการบาดีได้ยินดังนั้นก็ใจหายว่าไม่ทราบแต่คงไปได้ไม่ไกลหรอกไม่ทราบนั้นเหรอนักเรียนไม่อยู่ในหอพักตอนกลางคืนแต่คุณกลับบอกฉันว่าไม่ทราบเสียงของอธิการบาดีแผ่สูงขึ้นทันทีหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงด้วยความโกรธเขาจ้องหน้าพวกเธอเขมง พวกคุณสองคนรีบไปตามหาคนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้คืนนี้ถ้าหาตัวไม่เจอก็ไม่ต้องนอนกันทั้งคู่คะทั้งสองคนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าการที่อธิการบดีปรากฏตัวที่นี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญตามหาทำไมคะหัวหน้าฝ่ายถามอย่างงุนงงนักศึกษาสมัยนี้ก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วไม่เห็นต้องคุมเข้มขนาดนั้นเลยกลางค่ากลางคืนจะวิ่งออกไปก็ปล่อยไปสิหรือว่าหลีวานจะไม่เรียนต่อแล้ว เธอสงสัยว่าอธิการบดีจงใจทําให้เป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จําเป็นพวกคุณรู้ไหมว่าหลีหวานเป็นใครอธิการบดีกำหมัดแน่นข้างลําตัวหากไม่เห็นว่าทั้งคู่เป็นผู้หญิงหมัดนี้คงพุ่งใส่หน้าไปแล้วใครเหรอคะพ่อของหลี่หวันคือผู้การเจิ้งแห่งเขตทหารส่วนคุณปู่ของเธอคือผู้เท่าเจิ้งแห่งเขตทหารเมื่อกี้ฉันได้รับโทรศัพท์จากเขตทหารโดยตรงบอกว่าหลีหวานถูกรังแกในหอพักให้ฉันรีบมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อธิการบดีกัดฟันกรอด พวกคุณสองคนเป็นคนรับผิดชอบหอหญิงโดยตรงจงรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มาให้หมดอย่าให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวผู้จบอธิการบดีก็กำชับเสียงแข็งต้องพูดความจริงเท่านั้นถ้ามีคำโกหกแม้แต่คำเดียวฉันไม่เอาพวกคุณไว้แน่อะไรนะทั้งสองคนถึงกับหน้าถอดสีผู้มิหลังของหลีหวานไม่ธรรมดาจริงๆ ครูคุมหอไม่กล้าปกปิดอะไรอีกขนาดอธิการบดียังกลัวขนาดนี้เธอจะไปเหลืออะไรแต่ในตอนที่เล่าเหตุการ์เธอก็พยายามปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเธอและหัวหน้าฝ่ายจนสะอาดเกลี้ยงท่านอธิการบดีพวกเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างนี้เป็นแค่ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนสองคนพวกเราเข้าไปยุ่งไม่ได้จริงๆคะพ่อของสหาหยยียางจริงก็คือรองอธิการบดีอย่างนะคะท่านดูสิพวกคุณรีบส่งคนไปตามรองอธิการบดีอย่างมาพบฉันเดี๋ยวนี้ อธิการบดีสั่งเสียงเฉียบขาดคะค่ะได้ค่ะพอหญิงที่กำลังจะดับไฟกลับเปิดไฟสว่างขึ้นใหม่ครั้งทำเอาเหล่านักศึกษาหญิงงุนงงไปตามๆกันนอกจากนี้ยังมีอาจารย์มาแจ้งข่าวทุกคนล็อกประตูห้องให้ดีต่อจากนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดพวกเธอถึงได้ตระหนักว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วหลิหวานไม่ได้ไปไหนไกลเธออยู่ที่ป้อมยามของโรงเรียนหลังจากโทรศัพท์ไปที่เขตทหารเสร็จเธอก็ขอนั่งลงท่ามกลางสายตาประหลาดใจของลุงยาม หนูขอนั่งตรงนี้สักพักได้ไหมคะได้สิตามสบายเลยลุงยามถึงจะอายุมากแล้วแต่หูยังดีอยู่เมื่อกี้เขาได้ยินชัดเจนว่าเด็กสาวคนนี้โทรไปที่เขตทหารภูมิหลังของเธอคงไม่ธรรมดาแน่ๆหลิวันรออยู่ที่นี่ในขณะที่ทางหอหญิงวุ่นวายจนโกลาหลตอนนี้อธิการบดีได้ระดมอาจารย์ทั้งโรงเรียนออกตามหาคนโดยเริ่มจากบริเวณรอบๆหอหญิงเสียงเออวยวายดังไปถึงหอชายที่อยู่ตึกข้างๆนักศึกษาชายที่ใจกล้าหน่อยก็ชะเง้อเขามองดูเรื่องสนุก ด้วยความอยากรู้อยากเห็นในหอพักชายคณะแพทย์แผนจีนเหวนโม่ได้ยินเสียงวุ่นวายจากเพื่อนร่วมห้องก็รู้สึกรำคาญใจกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนจะทําอะไรกันเฮ้ยเหมือนโรงเรียนเราจะมีเรื่องแล้วนะเหวนโม่นายว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอาจารย์ถึงออกมากันหมดเลยน่าจะเป็นเรื่องทางหอหญิงนั่นแหละถ้าตึกหอยังไม่ปิดชั้นคงออกไปดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอก หวนโมตอบอย่างไม่ใส่ใจพลางพลิกตัวหนีหน้าเบื่อจริงๆฉันก็แค่สงสัยนี่นาเหวนโมนอนไม่หลับในหัวคิดแต่เรื่องการผ่าตัดของเขาก่อนนอนเขาโทรกลับไปที่บ้านคาดว่าพรุ่งนี้ครอบครัวคงจะมาถึงเมื่อถึงตอนนั้นคงต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลใหม่อีกรอบก๊อกๆอกทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นเหวนโมเอาผ้าห่มคลุมหัวทันทีไม่คิดจะสนใจมีอะไรเพื่อนรวมห้องถามเป็นนักศึกษาจากห้องอื่นสองสามคน พวกนายไทยสือว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินอะไรมาหอหญิงเกิดเรื่องแล้วพูดมากหนะ้าพวกเราก็ได้ยินและมันเรื่องอะไรล่ะดูเหมือนจะเป็นหลีหวานนะพอได้ยินชื่อนี้เหวินโมก็สะบัดผ้าห่มออกจากหัวทันทีขมวดคิ้วมองคนพูดใครนะข่าวของนายเชื่อถือได้แค่ไหนเชื่อถือได้แน่นอนครูคุมหอเป็นคนพูดเองดูเหมือนหลีหวานจะมีปัญหากับนักเรียนคนอื่น ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่หอหญิงอาจารย์ทุกคนเลยต้องออกมาตามหาตัวเธอกันให้วุ่นกลางค่ากลางคืนแบบนี้เธอคงไปหาที่แอบที่ไหนสักแห่งละมั้งเหอะเหอฉันว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆนี่มันมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่โรงเรียนประถมแค่นักเรียนหายไปคนเดียวไม่น่าจะระดมพลกันใหญ่โตขนาดนี้เหวินโมโนอนนิ่งต่อไปไม่ได้แล้วเขาลุกขึ้นพรดพราดก่อนจะเดินไปเบียดกับเพื่อนๆที่หน้าต่างข้างนอกเปิดไฟสว่างจ้าอาจารย์หลายคนถือไฟฉายเดินว่อนตามหาคน เวนโมขมวดคิ้วมันผิดปกติจริงๆนั่นแหละหลหวานดูเป็นคนซื่อๆนะเธอจะไปก่อเรื่องอะไรได้ซื่อๆอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกก็ได้ใครจะไปรู้ว่าจริงๆเธอเป็นคนยังไงก็จริงนะเป็นผู้ชาย อ, อกสามศอกแท้ๆทำไมถึงเอาแต่พูดจาไร้าสาระอยู่ที่นี่หวนโม่ไม่อยากฟังเขาขมวดคิ้วอย่างรําคาญหุบปากไปเลยตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอโรงเรียนกว้างขนาดนี้ลําพังแค่อาจารย์คงหาไม่ทั่วหรอก ไม่ได้การและฉันต้องออกไปถามอาจารย์ดูหน่อยเขาอยากรู้ว่าอาจารย์จะอนุญาตให้พวกเข้าออกไปช่วยตหาคนด้วยหรือไม่